ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บรรยายเรื่องมหาราวโลวาเทศสูตรคือประสูตร์ที่พระเจ้าทรงประทานโอวาดแก่พระราคุณมาสองครั้งแล้วในตอนแรกเป็นการประรบถึง พระเจ้ทาทรงสอนให้พระหุ่นเจริญกรรมฐานให้มองที่ความไม่สวยไม่งามของร่างกายพระหุ่นฟังพระโอวาสเสร็จก็กลับมาเจริญกรรมฐานไม่ไม่คิดบินตาบดเดินบินตาบาไป ก็ในขณะที่นั่งจะเจริญกรรมฐานจะนาความไม่สวยไม่งามของร่างกายพระสาริบุตรเกิดแนะนำให้เจริญานาปาปในสติเลยท่านยุ่งเลยทีเนี้ยพระศาสดาสอนอย่างนะพระพุทายะสอนอย่างไม่ได้ทำยังไงพรตกเจนก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าคือแทนที่จะจะหยุดอยู่เฉพาะอสุภะกรรมฐาน พระเจ้าก็สอนเจาะลึกลงไปที่ธาตุกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานโดยแยกกายเอาเป็นส่สวนๆวนก็ดูดินน้ำลมไฟอากาศนะฮะก็ดูห้าอย่างนกรรพูดสอนในแนวที่จะให้ลดกรรมราคะในรูปร่างกายตัวเองและกายคนอื่นเพราะว่าพระรหุนท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านมีความคิดปักอยู่สองเรื่องตรงนั้นในขนาดนั้น แล้วต่อมาก็ส่งขยับเรื่องธาตุนั่นเองคือดินน้ําลงไปอากาศนั่นเองแต่ว่าสอนแนวใหม่สอนในแนวที่ว่าทําใจเสมอด้วยธาตุตอนนั้นคือทําใจเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ําเสมอด้วยลมเสมอด้วยไฟเสมอด้วยอากาศทีนี้การสอนในนี้ที่จริงสอนแยกนะสอนหลายแนวในระสูตรอื่นก็สอนสอน แใจดินน้าลมไฟอากาศทั้งหลายเนี่ยแต่เฉพาะตรงนี้ก็ส่งสอนให้เห็นว่าธรรมดาว่าธาตุดินทั้งหลายเนี่ยจะเป็นดินในส่วนใดก็ตามมันมีคนทิ้งของสกปรกบ้างสะอาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะน่าชอบใจป้างไม่น่าชอบใจบ้างลงไปในดินแต่ว่าดินก็คงเป็นดินดินแสดงความไม่หวั่นไหวหต่ออานาจของอารมณ์ต่อ ส, อสิ่งที่เขาทิ้งลงไป เราไม่มีความยินดีในเมื่อเขาทิ้งสิ่งสกปรกลงไปไม่มีความยินร้าย ม, มีความขับแค้นเมื่อเขาทิ้งของที่สกปรกลงไปหรือไม่ยินดีเมื่อเขาทิ้งของสะอาดหรือของมีค่าลงไปไม่ยินร้ายในเมื่อเขาทิ้งของสกปรกลงไปใจก็ทำให้เสมอดิน ในข้อนี้ทรงสรุปอารมณ์ในโลกเอาไว้เป็นสองกลุ่มนะฮะท่านทั้งหลายคงจะจําได้ที่ทรงใช้คำบาลีว่าอิทธารมณกับอนิทธารมณ์อิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เราชอบอารมณ์ที่เราต้องการเราปรารถนาถ้าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเราก็อยากได้อยากม่อยากเป็นเป็แล้วมีแล้วเป็นแล้วเราก็เพลิดเพลินชื่นชมยินดีเสริมฉลองอยู่กับอารมณ์ตอนนั้น แล้วก็สับเท่าที่ยังอยู่สับเท่าที่ใจยังรักยังพอใจยังปรารถนายอยู่ก็มีการดูแลการหวงแหนการทะนุถนอมการรักษาการป้องกันโดยวิธีการต่างๆแต่พสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเราจะเกิดความสุขนั่นคือกระบวนการของอารมณ์มันก็เป็นก็มันอย่างนั้นถ้าอารมณที่น่าปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะฮะซึ่งทรงก่กลุ่มให้เห็นอีกกลุ่มหนึ่ง ว่าได้แก่สิ่งที่เป็นลาบเป็นยศเป็นสรนเซิญเป็นความสุขกอกกลุ่มแล้วมันจะมีอยู่สี่กลุ่มเนี่ยลาบก็คือสิ่งที่เราได้มาเคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีชีวิ ต, ม, ม, วตมีมีชีวิตก็แล้วแต่จะนับนะฮะแต่สรุปแล้วตรงนี้ก็คือวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุที่เราสัมผัสได้จะหยาบหรือจะละเอียดมันก็เป็นรายละเอียดก็แล้วกันแล้วแต่ว่าใครจะเชอบใจแต่นะ ยศก็คือความเปลี่ยนใหญ่นะอย่างเวลานี้จะพบว่ามีข่าววินเตนเรื่องยศกันเนกินกำลังจะย้ายนะเปลี่ยนพูดแต่เรื่องยศกันทุกวันก่นั้นจะเป็นอย่างนั้นก่อนนี้จะเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนทุกคนอยากได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนได้ตามที่ตัวอยากประยศเองก็มันมันที่จริงมันเป็นเครื่องวัดคุณภาพทาง อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไปอีกระดับหนึ่งนะฮะท่านท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าในความงามของธรรมะที่ที่จริงมันมองได้ทุกมุมเลยเราจะสรรเสริญสุขเนี่ยดูพูดพูดง่ายง่า ย, ยาเป็นงั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการเรียงตามพื้นฐานจิตของคนประนานจิตคนเนี่ยเป็นอย่างไงฐานจิตหยาบๆโดยทั่วไป ต้องการได้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการได้ขอให้ได้ตัวนี้พร้อมทําชั่วทําทวเฉลีต่างๆเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ปัญหาภูกากราการทั้งหลายเนี่ยดีกว่านั้นที่จริงก็คือลาบแต่หมายความว่าความอยากได้เนี่ยมันแรงไปแรงก็ใช้วิธีรุนแรงไม่สนใจวิธีการนะฮะแต่ว่าสนใจถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้พวกนี้พวกนี้จะจะน่ากลัวมากๆ แตนี่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยในจุดนี้เองที่จริงก็มีพื้นฐานจริตที่ดีพอสมควรนะฮะหมายความว่ามันต้องไม่ผิดกฎหมายแหละไม่ต้องไม่ผิดกฎหมายก็อยากได้แต่ว่าต้องไม่ผิดกฎหมายพวกนี้ก็จะใช้ความผลขวายใช้ความหยาบอีกระดับหนึ่งแสดวงว่าจิตใจก็ประนีตขึ้นไปแต่คนกลุ่มหนึ่งนั่นต้องไม่ขัดแย้งต่อมโนธรรมด้วย คือบางอย่างมันไม่ผิดกฎหมายแหละแต่มันขัดแย้งต่อมโนธรรมเดีนยวมารมีเงินไม่ทองมากๆสามารถคว้านซื้อที่ดินได้เป็นร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่แต่มันหมามันสร้างความเดือดร้อนนะแก่พี่น้องเรามากเหลือเกินเนะ่ะคนต้องเดือดร้อนพระที่นาคาที่อยู่ บ, บ้านบ้านแตกแอกสารสั่นเซนเงินทองได้ไปแล้วรักษาไวา้ไม่ได้มันขัดแย้งต่อมโนธรรม เขไม่เอานะฮะคนอี ก, กนึงก็ไม่เอาราบเหมือ น, นกันเลยเขาไม่เอาก็าสรุปว่าในการสแสวงหาลาบที่จริงมันมีความประนีตที่แตกต่างกันขึ้นไปโดยแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นออได้โดยไม่ยึดในขณะเดียว ก, กันท่านจะไม่สแสวงหาสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเพราะตัวเองก็แก่เจ็บตายอยู่แล้วไปเพิ่มไอ้ความแก่ความเจ็บความตายกันอีกมันยุ่งกันใหญ่ เลยก็ไม่หาไม่สแสวงหาสิ่งเดียวท่านตอนลงมาลาบเองมันก็ชั้นเป็นชั้นจิตคนการสแสวงหายศเองที่จริงมื่เป็นเครื่องวัดจิตคนว่าคนโดยสวเฉลีย่ยเนี่ยพร้อมจะสละลาเพื่อได้ยศนะพร้อมที่จะบริจาคเท่านั้นเท่า น, นี้เพื่อจะเป็นคุณหญิงเพื่อจะเป็นท่านผู้หญิงเพื่อจะเป็นได้เรียนตรายบริจาคเยอะนะฮะได้เยอะพร้อมจะเสียนะเสียเท่าไหร่ขอขอให้ได้เรียนสักเหรียญได้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจิตใจมัน ติดในลาบน้อยลงแต่ว่าต้องการยศต้องการยศที่นี้ไอความเป็นยศมันก็มีอิสริยศมีบริวารยศมีเกียรติยศเอาแหละอิสริยศเองต้องการความเป็นใหญ่บ า, บางทีก็ไม่ได้สนใจพิธีพิธีการขอให้ได้ใหญ่แล้วแค่บางทีก็ก็สนใจพิธีการที่จะต้องถูกต้องทีงง่ชอบโดยเหตุทุกผลบางทีจะต้องได้โดยหลักที่เรียกว่าไม่ฝืนมโนธรรมตัวเอง เราลงมาแต่ได้จุดนี่มันมันมั น, ม, นมันเป็นเครื่องมือวัดอะไรได้ทั้งหมดเลว่าระดับจิตของคนท่านจะเห็นว่าราบเนี่ยมันจะทั่วไปแก่สัตว์เดรานพอถึงยศเนี่ยสัตว์เดรานไม่เคยรู้เรื่องคนระับพอถึงสันเสรินนะสัตว์ดรัจฉานบางพวกก็รู้นะก็รู้แต่ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะไรนะสังเกตเอาแต่พอถึงสุขนี่สุขที่เข้าถึงใจจริงๆเนี่ยฮะสัตว์ดรัาน เข้าไม่ถึงแล้วก็มนุษย์ทั่วไปก็เข้าไม่ถึงมันก็สุกบางระดับสุขส่วนมากเราใช้แต่สิ่จากสนุกนะยังสมัยนี้เราจะเห็นว่าเราสนุกกับสะดวกเนี่ยฮะสนุกกับสะดวกสบายเนี่ยเราคิดเป็นสุขสนุกสะดวกสบายเนี่ยคิดเป็นสุขเด็กแกไปอยู่ที่ลานดนตีโลกรนตรีคอนเสิร์ตจะได้ไปยุ่ยย่ยโมงแกแกสนุกนะแต่แกนึกว่าสุขหรือสบายบางทีสบาย สบายคือสบายสบายมันไม่ใช่สุขมันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดสุขแต่ไม่ใช่ตัวความสุขเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้จึงกลายเป็นเครื่องแบ่งแบ่งวัดระดับจิตนะฮะเป็นรายละเอียดอีกหลายสูตรเลยส่งแสดงเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะทีนี้ส่วนที่ไม่น่าปรารถนาคือเสื่อมเล่าเสื่อมยศนินทาทุกข์นะฮะตรงนันครับไอ้นี้ก็อีกแหละคือคนบางคนนี่ ก็เสื้อมอะไรไปนหน่อยเองมันจะเป็นจะตายให้ได้เมื่อวานเนี่ยก็ประรบกันก็มีผู้ใหญ่เข้ามาก็ว่าทํายังไงอะเนี่ยคนแก่อายุตั้งเจ็ดสิบกาแล้วยังฆ่าตัวตายเนี่ยเพื่จะทํำยังไงอะะอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วจะเนี่ฆ่าตัวตายได้ยังควบคุมความรู้สึกนึกคิดตัวเองไม่ได้เอาให้ปัญญากินยาฆ่าแมาลงแล้วตัวเองก็กิกนยาฆ่าแมาลงตายตามไปตัวสองคนสองคนลายใหญ่อายุตั้ง เกื 200. อบสองอยอนี้ก็คือจิตวิญญาณเนี่ยมันขาดพื้นฐานในการควบคุมความรู้สึกนึกคิด ถ, ถึงก็ไม่รู้จะทำยังไงอะมันก็ต้องช่วยกันสังคมต้องช่วยช่วยคนกลุ่มนี้เพราะว่าเพียงแต่เรื่องเล็กๆเรืน้อยเช่นอะไรเช่นว่าของหายไปอย่างเดียวเนี่ยหรือว่า เป็นแฟนกันแล้วก็แฟนหนีไปเลยไปฆ่ค่าตัวตายโอ้โหน่ากลัวน่ารู้อะไรก็ไม่รู้ไอ้ น, นี้ก็คือความคิดที่มันมันไปยึดติดอยู่มากๆนะไปผิดหวังไว้ให้ความรับผัดกับเรื่องเหนั้นมากๆจริงๆเรื่อ ง, องนั้นไม่ใช่ชีวิตมันเป็นปัจจัยแต่นั่นเองนะเป็นปัใจจัยในการดํารงชีวิตให้ความสะดวกสบายการดํารงชีวิตแต่ไม่ใช่ตัวชีวิตนะเรียกว่าเป็นเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการ มันเสื่มไปมันก็สร้างเกิดใหม่ได้เพราะเมื่อก่อ น, นจริงๆมันเรื่องจะไม่มีเยีงเยงแต่ว่าคนไม่เคยเข้าใจถึงเรื่องแบบนี้เพราะปัญหาเสื่อมราษเสื่อมโยนินทาทุกนี้จึงเกิดสารพัดตรงนี้มันก่อให้เกิดเป็นความยินดีและความยินร้ายแต่เราเก็ฟูขึ้นพุบลงเดือดร้อนเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างเงี้ยหนาวหนาร้อนร้อนอย่างเงี้ยการการเรื่องเหล่านี้ยแล้วก็เดือดร้อนบางทีเนี่จะเดือดร้อน มันก็ไปคุยกับสมเด็จตรงเน่งนะก็ถามนั่นตรงๆอะบอกพ่อสมเด็จเป็นทํำไมันขี้โกรธจังที่จริงมันเป็นใหญ่มันกิเลสมันน่าจะลดทําไมมันมันกิเลสมันเคริบทำไมันขี้โกรธจังพันบอกมันเป็นอย่างนี้นายเจ้กุลนะแล้วบอกว่าพอเป็นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนมันอกรธใจหมดมันไม่มีอะไรที่เที่ยวกับผิดหวังจะหยิบไปนั้นพอมองปั๊บหนึ่งคนก็วิ่งจ้องจอองมาให้นะ คือคือคือไม่มีอะไรผิดหวังมันสมหวังไปหมดพอไปกระทบผิดหวังข้าวเนี่ยจะเกิดโทมนัสจะเกิดความไม่ชอบแล้วแตนี้มันก็สะสมอยู่เรื่อยๆโดยเราไม่รู้ตัวเราไม่ตัวเราติดสะดวกสบายอย่างคนกรุงเทพนะฮะติดสะดวกสบายติดสะดวกสบายจนเพลินนะะแล้วก็ทนต่อความเหนื่อยยากลําบากไม่ได้เดินขึ้นเขาก็ไม่ได้เดินกลางทุ่งน่อยก็ไม่ได้ เอาเข้าไปก็มาลิฟท์ชั้นเดียวในอุตสาขึ้นลิฟ์เ mm hmm. วีกรรมจริงๆเนี่ยบันไดไม่กี่ขั้นขึ้นก็นไม่ได้ละข่าวอ่อนหมดแล้วเน mm ี hmm. ่ยทำยังไงอะทีเนี้ยอันนี้คือคือแสดงว่าเราไม่รู้เราซึมซับเรื่องเหล่า น, นี้สะสมมานานเราไม่รู้ตัวเราว่าจริงๆตรงนี้เราถูกสะสมแล้วแล้วทำห้เราต้านทานเราอารมณ์น้อยๆตรงยังนองมองมอ ง, มองเลยไปจนถึงเมื่อเราเ อ, า อ, าอาประวัติศสตร์ได้มาอ่ อทำไมคนใหญ่คนโตอายุมันสัน้นเราก็นึกถึงว่าวิธีชีวิตของท่านเนี่ยมันแหมมันมันหลบแดดหลบลมอยู่เรื่อยเลยนะนั่งหน่อยก็ต้องมีคนคอยพัดแล้วกลัวจะร้อนเดินหน่อยก็กลัวจะร้อนก็คนก็ต้องกันลมให้กลันะวท่านจะเหนื่อยเอามาหามขึ้นเสลียงต้องลงว่าอะไรมันไม่ได้เคลื่อนไวนหวผลท้ายอายุสั้นหมดลองดูนะฮะลองกลับไปดูประวัติศาสตร์ โบราณห้องเต้อะไรต่ออะไรทมือเมือนกันหมดเลยอันน hmm. ั้นคือคือสิ่งที่เราเออส่นเด็ท่านดานดีนะท่านอธิบายค่างเพื่อมาสงสัยว่าเอะเรามันโตขึ้นในกิเลสมันน่าจะลดนี่ยนะแต่ทำไมกิเลสมันเพิ่มอกิเลสมันควรจะลดนะโตขึ้นโตขึ้นไอ้กิเลสมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเออถือเนื้อถือตัวเจ้ายศเจ้าจางโอ้จะต้องยังงั้นไอ้นี่ก็ไม่ได้ อจะกินน้ำก็เอ๋น้ํำขวดก็ไม่ได้ต้องใส่กีมาโอ้มันสารพัดยุ่งจริงยุ่งจริงมนุษย์เนี่ยเลย <c oughs> เอ๊ชักสงสัยก็เลยคุยกัท่านดูนั่นแหละท่านดูท่านก็เล่าไ ป, ปท่านบอกมันเป็นอย่างนั้นต้องรู้ตัวมันท่านบอกเราต้องรู้มันถ้าเราไม่รู้แล้วนี่เราจะเป็นธาตของมันโดยไม่รู้สึกตัวกิเลสเนนะีเรารู้สึกอย่ายมากนะมันมันมันไม่ไม่ไม่เลยทำอะไรอะ่ะ ไม่ทําอะไรก็มีคนตอบสนองหมดอลยทำให้เกิดอ่อนแอแล้วก็เรามองเอ่ยคนคนที่เขาสะดวกสบายทุกอย่างมีคนรับใช้คนเดียวมีคนรับใช้ทั้งเจ็ดแปดคนที่ขี้โมโหฉุนเฉียวเป็นอย่างนี้เองเราไม่รู้ตัวมันสะสมสะสมสะสมอารมณ์เอาไว้ทุกคนอีอ้ออกใจประจบประแจงบีบนวดสารพัดเลยรองเท้าก็ถอดไม่เป็นเลนยน่าเอ็ดูมากๆเลยเกิดมาชาติารองเท้าก็ถอดไม่ได้สวมก็สวมไม่ได้ เราจะสวมรองเท้าคนก็วิ่งเอารองเท้ามือท้าสัสวมให้จับเท้าสวมให้เว้นเว้เวเวนกัน ม, มากๆไงนะแ ล, ะล้วฝนุนท้ายตัวเนี้ยมันมันก็อ่อนแอไปหมดจิตใจจะอ่อนแอกระทบนิดกระทบหน่อยไม่ได้เลยก็บอกปางบาบางเรวไปเจอจริงๆข้าว่ปเจอของจริงข้ า, ขาอยู่ไม่ได้เพราะว่า <pper> จริงๆชีวิตเราเน่ยมัไยงงนไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นเราเราลองนึกดูว่าวิถีของพระพุทธเจ้า พระเจ้าท่านหลบเรื่องแบบนี้ท่านหลบการประจบประแจงของอกเอาใจจากคนทนายไปหลบไปอยู่ในป่าในสวนอุทยานสามแห่งนะครับป่าก็หลบไปกับพระอนุนไปอยู่ทางป่าไปเดินเดินดูศึกษาอะไรแต่ไรดูเพราะฉนุ้นพระเจ้าจึงแข็งจึงแกข่งมากและเป็นขัตติยะกุมารสุกุมาราชาตนะครับแต่ท่านอยู่ในวังคงไม่ถึงแปดสิบนะแต่วันนีนท่านท่านลุยท่านลุยแหลกเลย เดินนอนกลางดินกินกลางกายไปกั้นแดดกั้นลมกล้งฝนไปหมดเลยเป็นอะไรแกร่งทำให้ประชาชนมายุก็ยืนแข็งแรงสุขภาพก็ดีอันนี้ก็ก็ตกลงว่ามันเป็นสูตรนะนะเป็นสูตรที่มองได้ทั้งส่วนกายและส่วนจิตว่ากายนั้นจะต้องมีการต้าน่านต่อสู้กับสิ่งทั้งหลาย แล้วก็จิตนั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายถ้าไม่เคยต่อสู้เลยเนี่จะอ่อนแอจะทําอะไรไม่ได้แล้วพอเจออารมณ์แรงๆเข้าจะรักษาสุขภาพจิตตัวเองไม่ได้แล้วตัวเองนั่นแหละจะมีปัญหาเพราะในตรงนี้เราจะเห็นว่าไอ้ความยินดียินร้ายที่มันเกิดเกิดการสะสมเกิดการสะสมเมื่อเมื่อวานได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วก็มากันหลายคนนะครับรัฐมนตรีประหลักกระทรวงไงนั่งคุยกัน เราต้องคิดนะเราต้องช่วยเราหาทางแก้ยังไงกันนะว่าเด็กลุกลูกหลานเราที่แกอยู่บนรถใบนี้แกเครียดมากนะแกตื่นตั้งแต่ตีห้าตีสี่ขึ้นลุกขึ้นอาบน้ําอาบท้ามายืนรอรอรถลุกขึ้นร ถ, นรถอัดกระป๋องมาทั้งสองสามชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ยแกอัดอยู่ในในกระป๋องนั้นตั้งสามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงแล้วแกก็เครียดสะสมทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเพราะาเด็กมีความก้าวร้าวมีความรุนแรงกระทบนิ้กระท บ, น, ะทบน่อยเนี่ยมีปัญหาเพราะมันมันเชื่อขา้าในมันเยอะ เราทายังไงเราจะปรับตัวนี้ปรับตรงสภาพแวดล้อมตัวนี้ไปกันก็ไปอภิปรายที่สภาวิจัยวนันตื่นก็ไปอภรายกี่สภาวิจัยก็หาทางออกกันนะไอ้ทีนี้มันมันมันสมมุติเราหาทางออกได้เนี่ยเราก็ไม่มีหน้าที่ทำมันมีอํานาจเราไม่มีหน้าที่ที่จะทํารื่อี้นําความคามิดขอสังคมปัญหาก็คงเป็นปัญหานะคงเป็นปัญหาว่ามันมันเกิดขึ้นจากใจสะสมความยินดียินราย เราเห็นว่าจะสะสมความยินดีกินร้ายเนี่ยความยินดีมันสะสมกิเลสอยากกิเลสสายอยากอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้น้่นเดี๋ยัแลอยากได้อยากได้อยากอยากอยากไปเรื่อยๆก็ผลท้ายแล้วมันเป็นยังไงเราก็เป็นทาตของความอยากแล้วก็เดือดร้อนเพราะความอยากแล้วต่อสู้เข่นฆ่าทําลายล้างกันเพราะอยากเพราะอยากมาชนก็อยากอยากเท่ากันก็ตายแต่นั่นเอง พออยากเท่ากันจะเป็นโทสะให้โยมลองสังเกตนะฮะอยากเท่ากันเนี่ยจะเป็นเป็นโทสะไม่ต้องอะไรนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยหมายตาอาหารหนึชิ้นเดียวกันซ้อมลงพร้อมกันในชักยุ่งนั้นอากยุ่งแล้วมองตากันแล้วชักขุนๆแล้วมันมันมันมันมันมันตัวกิเลสเนี่ยมันก็แสดงอาการเลยตลอดกินอาหารนั่งคุยกันเราก็เห็นตัวมันเพราะงั้น ตัวเนี้ยที่ที่ในมาตติปัฏฐานพระเจ้าทรงใช้คำ อ, อภิชาอาภิชาก็คือความเพ่งเล็นความโลภอยากได้ไอันัน้นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัส น, น้าจับต้องเอาเราอยากได้นั้นเป็นของเรานะเป็นของเราอันนั้นก็ของเราอันนั้นก็ของเราเลยยุ่งของเราทีนี้ยุ่งกับของเราเวลาเนี้ยจะเห็นว่าพวกข้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆจะทำให้สังคมเนี่ย ต้องเป็นธาตุของการโฆษณามากยิ่งขึ้นต้องการอะไรเด็กเดี๋ยวนี้เด็กที่กุฏิเองเนี่ยมันซื้อของห้างที่ร้านข้างล่างบางลําพูนไม่ตีนุ่ขึ้นขึ้นห้างสรรพสินค้าทุกทีเลยอะไรก็ต้องขึ้นห้างสรรสินค้าหมดเรสนิยมสูงนะรายได้มนยังไม่มีมขอจะตางแน่มันนะแต่บางทียืมตางเพื่อนเน่ยแต่ยังรสนยมสูงต้องขึ้นห้างสรรพสินค้าเรานึกดูเด็กต่อไปจะอยู่ยังไง จะอยู่กันยังไงในเมื่อสังคมมันยั่วยาตลอดไอนั้นก็ยั่วยาไอนั้นก็มาใหม่มาใหม่โฆษณาหันแหลกไปหมดเลยแล้วเด็กเมื่อก็รับตรงตรงนี้ก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องการได้ต่อการมีต่อการเราลองดูว่าการนําเด็กเที่ยวเนีนะ่ยมันเกปัญหาโฆษณาจรปิดเทอมเมื่อก่อนในหัวหินชะอำในเยี่ยมแล้วหัวหินชะอำบางแสนพัทยาในเยี่ยมนะทุกวันไม่นะฮะฮ่องกง สิงคโปร์มาเก้าไปนนท์ไปอเมริกาผิดไปหายพเสร็จแล้วลูกก็มาคุยกันคุยอวดไปนั้นไปนี้ไปนนท์มาอลูกก็ดึงก็อยากได้อพ่อแม่ก็ไม่ยอมคนก็เป็นเรื่องน่าห่วงก็นี่ก็คื อ, ก, คอก็คือเกิดมาจากความยินดียินร้ายทีนี้อาจาสอนให้ทําใจให้เสมอได้ดินได้นาำได้ลมได้ดไฟคือไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์หมายความมาเราอย่าไปกําหนดมันมากเกินไป แย่าไกนโหนดมันมากเกินไปว่าอันนั้นอั น, นดีบพราเขาว่าดีเออดีจริงนะดีจริงเหมือนกระบวนการเนี่ยนะฮะกระบวนการล่าพระอาหารหันต์ของเราเนี่จักจักจักจั ก, จกไปแค่ไห้นั่นไป น, น, ไปนี่ไปนั้นมันรลุ ก, กันเยอะแล้วคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราะทั้งหมดมันอยู่ที่ใจกิเลสก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจทิพานิษฐ์ไอ้สมุทัยก็อยู่ที่ใจนิรร์ก็อยู่ที่ใจมรรคก็อยู่ที่จะไปหาที่ไหนหรอก ไปหาติดในหาตัวตัวของเราให้เจอติดูที่ตัวเราให้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันทั้งนั้นนลยนะแล้วก็ไม่มีใครเป่ากระหม่อมให้เราบารรลุคลได้พระพุทธเจ้ายัางเป่าไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปหาท่านหรอกท่านหาท่านก็โดนบันดาลไม่ได้หรอกมันการสูญเสียเวลาสูญเวลาในการหาตัวเองเราไปหาได้คนอื่นไปเอามาจากคนอื่นปัจจัยนี้มันอยู่ข้างในมันไม่ได้อยู่ข้างนอกจริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างใน อย่าลืมว่าถ้าเรามองแบบกรรมฐานนี่มันจะอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกแล้คืออารมณ์เหล่านั้นมันเป็นของมันอย่างที่มันเป็นโลกมันก็คือโลกอย่างนี้แหละที่วันก่อนที่เรานี่ยโมที้ไปพูดเรื่องพุทธท่ากับสันติภาพโลกมาวมาอย่าเอาทั้งโลกเลยเอาเราเสก่อนเอาใจเราให้สงบเสียก่อนสันติี่ให้อยู่ที่ใจเราเสก่อนถ้นอยู่ที่บ้านเราเสีก่อนถ้นอยู่ที่วัดเราเะก่อนให้อยู่แคแบแค่ตรงนี้ได้เกิด อย่าไปคิดโลกโลกมันทํามันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ายังทําไม่ได้เลยจะทําได้ยังไงโลกเนี่ยคนละศาสนากันแล้วคนละที่การเมืองกันแล้วคนละประเทศกันแล้วเนี่ยเอาหน้าในวัดเนี่ยสมุดเรเราอยู่วัดวรวันทำยังไงวัดวรมันเกิดสันติเอาขี้หมาลดน้อยรงหนอยก็ยังบุญแล้วมันแก้ปัญหาใกล้ๆตัวนี่ได้มันพูดใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไปเอาแคบแค่แตเนี้ยทำนี่แก้ปัญหาถ้าพาวิจัยวันก่อนก็เหมือนการมาโปับไปไกลนั้นงานไกลมากไป เราทำไม่ได้ดอกไกลขนาดนั้นเอาที่มันแปลงสาธิตอะ่ะทำแปลงสาธิตเขาเรียกแผนนำร่องตัวมันก็เรียกนำร่องคือหมายความว่าไอ้จุดตรงเนี้ยทำให้ให้ดูสักแข่งหนึ่งเป็นแบบสะแข่งไปเพื่อคนอื่นจะได้มาดูนะแล้วก็ที่จริงคนมาดูดิมันมันก็มีหลายเรื่องนะ เราจะพบว่าคนทําดีในนใขณะที่เราทําดีเราจะหวังว่าให้คนอื่นเอาเราเป็นตัวอย่างเราได้ทําดีก็พอแล้วนะแต่ถ้าคนจะเอาเราเป็นเป็นตัวอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาในขณะเดียวกันคนบางคนเวล า, ค น, า, ค, น า, ค, นาคนอื่นเขาได้ดีเนี่ยเขาริษยานะฮะเขาฤิษยาก็แข็งดีนะะเขาถือตาถือเป็นแบบเพราะงนั้นทุกเรื่อง ท, ที่ที่เราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าที่ ไม่คงไม่คงอีค่อยทรงแสดงปาฏิหารเนี่ยปาฏิหารวันนี้ออกจะพูดกันมากไปหน่อยปศศอปฏิเสธเก่งกันหรือเกินเจงกว่าพระพุทธเจ้านี้พระพระเราในเป่าวปาจะออกโทรทัศน์เอาวิทยุที่เก่งกว่าพระพุทเพพเออ ธ, ธเจ้าเยอะอ่ะอิทธิฤทธิ์ไม่มีไม่มีได้อย่างไงไม่มีได้อย่างไงมันเป็นความสมําเร็จทางใจเป็นผลทางใจมันมันฤทธิ์มันเกิดหลังจากใจหมดกิเลสแล้ว ไอ้ตัวเอย่างมีกิเลสไปวินิจัยได้ยังไงวะดิสมันไม่มีแต่ที่พระพุทธเจ้าไม่ใช้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่าไม่จําเป็นเนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้หมายความไม่ใช้เพราะถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยคนมันจะแบ่งเป็นสามกลุ่มเป็นการทําลายคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีความจําเป็นหมายความว่ากลุ่มที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วเนี่ยสอนธรรมะเอาก็พอแล้วนะฮะไอ้นั่นมันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่าน ก็ใช้ทํามาเอาใช้อนุสาสนีปาติขารแต่ทีนี้คนซึ่งไม่ชอบพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไปแสดงฤทธิ์เนี่ยมันคล้ายๆกับมายากลมันแบบมายากลนี่ยนะดูแล้วแยกไม่ออกระหว่างมายากลกับฤทธิ์พระพุทธเจ้าพวกนี้มันก็หาพระเจ้าเล่นปาอีกเป็นมายากลหลอกลวงชาวบ้านก็ด่าพระพุทธเจ้าทีนี้คนในสถาบันมันจะตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแล้วในสุดก็ไปติดในตัวฤทธิ์ซึ่งไม่ใช่เนื้อหา ไม่ใช่เนื้อหาของศาสนามันเป็นผลพวงเท่านั้นเองเป็นผลพวงไปจากจิตที่สงบเท่านั้นเองไม่ใช่วัตถุประสงค์แต่มันหมายความว่าเมื่อจิตเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นความสําเร็จโดยโดยสถานะถ้าจิตอยู่ตรงนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามปฏิบัติจิตไปถึงตรงนั้นขั้นก็ได้ตรงนั้นนะนะเดี๋ยวทีนี้นจะใช้หรือไม่ใช้มปนเรื่องของท่านแล้วคนพวกหนึ่งก็ จะรู้สึกสงสัยเห็นไหมคนพวกหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกสงสัยเอ๊ะจริงไหมจริงจริงไหมจริงจริงไหมจริงก็นิ่งอย่างั้นแหะไปไหนไม่ได้ตกลงว่าเป็นการทําลายคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยเราลืมไปนะเราทําลายคนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ทำไมพระพุทธเจ้าจริงๆเป็น่วงใหญ่คนเหล่านี้พระพระุทธเจ้าทั้งกรุณาหมดทุกพวกกรุณาตอ่อสรรพสัตว์เหมือนกันหมด แม้แต่คนที่ไม่นับถือพระองค์พระองค์ก็การุณาเพราะนั้นอะไรก็ทำที่ทําไปแล้วไปกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนพวกนี้เนี่ยจะหลีกเว้นจะหลีกเว้นจะไม่กระทำเพรา ะ, ะ น, นปาฏิหารโดยเฉพาะว่าจะเจาะกลุ่มเล็กๆจะไม่เอาให้เป็นสาธารณะนอกจากยมกปาฏิหารที่เดียวอันนั้นมันเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ที่จะต้องทําำทำไม่ทําไม่ได้หลังจากนั้นแล้จะไม่ไยปรากฏปาฏิหารในกลุ่มคนมากๆเห็นมไหม กลุ่มคนที่ว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มกลุ่มไม่ใหญ่กลุ่มพรรคพันคนสองพันคนอะไรอะไรเนี่ยทําได้ถ้ามากๆแลว้วมันมันจะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าเพราะคนที่ที่พวกเห็นจะมีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปทีนี้ดินนี่เราจะเห็นว่าจะสอนในแนวที่ไม่รับนะดินนี่จะสอนในแนวที่ไม่รับหมายความว่าตกก็ตกไปก็สักไปว่ารูปสักไปว่าเสียสักไปว่าูดสักไปว่าคาฟูด ได้ยินก็สักไปว่าได้ยินได้เห็นก็สักไปว่าได้เห็นได้ทราบก็สักไปว่าได้ทราบได้รู้ก็สักไปว่าคือมองในแนวสักแต่ว่ามองสักแต่ว่าจ้างเขาปล่อยเขาเรื่องของเขาไมไ่เกี่ยวเพราะดินจะไม่ซึมซับอะไรนะตกลงไปตกลงไปก็แห้งเหี่ยวไปเองไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้เอาอะไรไปสอนคนละแนวนะเราจะเห็นว่าทีนี้พอน้ําพอน้ําสอนในแนวชำระล้างแนวสลาย หมาความอารมณ์เนี่ยมันกระทบกระทบแน่นอนแต่ว่าน้ําเนี่ยของตกไปเนี่ยถ้ามันของประเภทเดียวกันหมาความของสะอาดด้วยกันเป็นน้ําด้วยกันก็ผสมกลมกลื่นแกะผสมกลมเกลืก่นกันถ้าเป็นคนละพวกคนละาตแยกนะฮะเป็นน้ามันเนี่ยก็แยกกันไปเลยแยกกันไปทีนี้ถ้าหาวาสีนั้นเป็นของ ส, องสกปรกเป็นน้ําขุ่นเป็นน้ำโ ค, คลนเป็นขี้หมูขี้หมาอะไรแต่ไหมันจะสลายสลายไปเรื่อ ลแล้วในที่สุดมันก็หมดสภาพหมดกลิ่นนะฮะหมดกลิ่นก็สิ่งเหท่านเรียนธรรมะตรงนี้ที่จริงยืนตอนเด็กก็ล้งขี้หมาที่คลองพระละวอนกันนะหนุ่มช้ามาเช้ามาไม่ช้า ว, วานมาก็ยืนดูว่เออนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่พระอาาสอนเสร็จแล้วขี่หมาลงมาถึงปับ๊บถึงน้ํามันมากความสลายสลายแล้วก็กปัน่นๆเนก็สลายไปเพราะตกดึกนี่จริงน้ํำในคลองบอลสะอาดนะฮะในในครองเนี่ยสะอาดขีนะ้เยอะ แต่พอสักตีห้าตีสี่ 4, ครึ่งตีห้าเริ่มเริ่มสกร ป, ปรกแล้วสกร ป, ปรกก็ปปวัดตัจักเป็นเรื่องที่ที่น่าศึกษานะฮะเหมือนกับจิตคนถึงจุดหนึ่งเรากระทบอารมณ์มากเอาไม่อยู่เหมือนกันเอาไม่อยู่เหมือนกันคือว่าน้ําที่บริสุทธิ์บางเกิดต้องขุดข้นเพราะว่าอารมณ์มันมากเหมือนกแสดงอะไรแสดงอะไรเรามีเชื้อที่จะซึมซับสิ่งสกร ป, ป, ปรกอยู่แต่ทีนี้ น้ำที่ทรงอุปมาส่วนมากจะเป็นปริมาณมากหรือน้ำที่ไหลเวลเราจะเห็นนะน้ำที่มีปริมาณมากจะน้ำใสามากแล้วเราโยนสิ่งสกปรกลงไปมันก็เป็นร่องรอยให้เห็นว่ามีสิ่งสกปรกแล้วแล้วค่อยๆสลายทีนี้ท่าน ถ, ถ, ถ, ถ้าน้ำไหลมันมันจะสลายเร็วมะเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันเวลากระทบอารมณ์จะเป็นเหตุให้รักหรือัะก็ตามก็คือว่าอย่ไปเก็บไว้ มันกระทบแล้วนะนะกระทบแล้วทํายังไงอยากเก็บทํายังไงอยากเก็บไวเพราะเก็บแล้วมันก็กลุ่มนะกลุ้มโดยความรักความชังทั้งรักทั้งชังมีปัญหาทั้งคู่ในมหาเศรษฐฐานสรงใช้คำว่าโท ม, มนัทโยมจะเห็นว่าใช้คําอยู่สองคำมหาเศรษฐฐานอภิชาโท ม, มนัทก็จัดอภิชาและโท ม, มนัทในโลกลงไปได้การปฏิบัติที่ว่ามาทั้งหมด อังจาก น, นี้ก็คือว่าศึกษาแบบนามเนี่ยคือสลายอย่างหนึ่งสลายอย่างนี่นงผสมกลมกลืนในสิ่งที่ดีงามสิ่งสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยผสมกลมกลืนทีนี้สิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวคือคือคือคือข้าวกันไม่ได้ก็แยกออกไปเลยแยกแยกสิ่งนั้นออกไปจากใจแยกเรื่องของเขาเช่นเช่นเขาด่าเราเรื่องของเขา เขาสะสมบาปด้วยปากเขาสะสมบาปด้วยใจบาปนั้นก็เป็นสมบัติติดตัวเขาถ้าเราไปรับด้วยเราก็บาปด้วยแยกแหละแยกแนวไหนตรงนี้แยกแนวกรรมแยกแนวกรรมท่นเด่นว่แยกแยกแนวกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเรื่องของเขาก็ทําบาปก็เรื่องของเขาพอทำบุญเราควรมโนธนาเขาเราทําบาปถ้าเราป้องกันก็ได้เราช่วยเหลือก็ได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็เบีกดขา เราจะไปช่วยอะไรได้แม้แต่ลูกเราอย่างช่วยไม่ได้บางทีตัวเราเรายัางเอามาอยู่นะก็ไม่ไม่คือคือต้องมองว่ามันไม่ใช่อยู่ในพิสัยทั้งหมดไม่ใช่อยู่ในวิสัยทั้งหมดอย่าแบกโลกอยู่ในโลกก็อยู่ในโล ก, ก, อ, ยโลกอย่าแบกโลกแต่นในขณะเดียวกันก็อย่าหนักโลกเมื็นคนแักโลกนัสยาโลกวัฒถโนพระเจ้าบอกอย่า ท, ทําตนเมื็นคนหนักโลก อย่างน้อยก็เราให้ได้ประโยชน์จากโลกแล้วโลกก็ควรจะได้ประโยชน์จากเราหายความมากสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นความคิดกลุ่มธรรมะตรงนี้ไม่ใช่พูดกลุ่มธรรมะพูดกลุ่มที่จะแก้กิเลสกลุ่มที่จะแก้กิเลสก็หมายความว่าให้ใจมีธรรมะนั่นเองทีนี้ถ้ามองแบบไฟนะมองแบบไฟในรูปเป็นอุปมากิเลสยอ ม, มจะต้อง จะต้องเข้าใจนะว่าการอุปมาเป็นธาตุเนี่ยมันรู้มาได้ทั้งดีทั้งไม่ดีอ่ะอุปมาได้ทั้งดีทั้งไม่ดีดทีททนี้ตรงเนี้ยท่านมองในแง่การรับเรื่องไม่ดีรับเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดินเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเอยียงหนึ่งคือไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่ไม่หวั่นไหวไ ม, ไ, มไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะเขาไม่หวั่นไหวเขา เพราอารมณ์กระแทยกระทันยังไงเราไม่หวั่นไหวอารมณ์เ่านั้นเรียกว่าไม่ฟูขึ้นหรือไม่พุบลงฟูขึ้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์อยากพุบลงเพราะเราเสียใจเราเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้นะเราจะฟุบใจจะฟุบจะฝ่อจะหมดกําลังใจจะเสียขวัญเสียกําลังใจอะไรแต่ไหนเนี่ยมันผิดหวังเพราะเรียกสมหวังเมื่อก็ฟูนะฮะพอผิดหวังก็ฟุบทีนี้เราก็อยู่กับสมหวังผิดหวังถ้าถ้าเรารู้เท่าทันเขา ก็คุมใจไว้ได้นะคุมใจไว้ได้ไม่ได้ก็ดีไปได้ก็ดีไปล้าก็ทาตรงนี้ไม่ได้เราก็ทำตรงอื่นไปคือว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากนะเพราะว่าต่อไปนะฮะสภาพเป็นร้อนต่อไปการต่อไปเราเราจะยึดมั่นถือมั่นมากไม่ได้เอาอะไรมากไม่ได้แม้แต่ลูกหลานอะไรก็เถอะอย่าไปเอาเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้ก็ช่างคร้บ เราทําหน้าที่เราเต็มที่เท่านั้นเองส่วนจะได้ตามที่เราอยากได้หรือไม่นี่คงคงไปคาดหวังเอาร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อย่างที่บอกไว้ถ้าคาดหวังก็คาดหวังไม่ตั้งยี่สิบห้าเซ็นไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะเอาตังยีง่สิบห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นตจริงๆไม่ใช่คะแนนผ่านนะเป็นคะแนนตั้งหลักเป็นคะแนนตั้งหลักเท่านั้นเองเอ่อประการต่อไปนั่นคือมอง มองแบบน้ำมองมองหลายอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนะแล้วก็มองแบบแบบไฟแบบไฟนั้นไม่ได้เอาตัวสว่างนะไม่ได้พูดในแนวสว่างพูดในแนวเผาทําลายนะพูดในแนวแนวเผาทําลายที่ที่จริงแล้วเนี่ยบางเรื่องมันก็ใช้สว่างนะหมายความใช้ปัญญาพวกอารมณ์โง่ทั้งหลายอารมณ์หลอกอารมณ์ลวงทั้งหลายเนี่ยอย่างวันก่อนก็ ปัญหาสําคัญเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนคือเรามองไม่เป็นระบบเรามองไม่เป็นระบบเวลานี้ผู้หญิงตั้งตังตวเป็นพระพุทธเจ้าก็มี <ick. S 1> ชาวนาที่พิศวงโลกตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าก็มีผู้หญิงตั้งตัวเป็นพระศรีอานนะฮะเป็นพระศรีอารไม่ไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ว่าชาวนาที่พิศวงโลกนี้ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนก็ไปเทมาน้อยใจมากคือพระไปด้วยนะ <น Fourth. S 1> วพระก็โง่เยอะจังเลย จะทํำยังไงนะอันนันมันปิดผลกับสังคมมาวันก่อนมาหาตมาก็าอาัดเทพมาให้แล้วก็เทสให้ฟังแต่พัดคือบอกพระพุทธเจ้ามันไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นนะอย่างที่ทเทมาเคยปาตกถาเรื่องอิธิปาติหานความมาตรจันในพุทธศาสนาเนี่ยคือเราจะลืมว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้โดยรูปร่างกายเนี่ยมั น, มนต้องแสดงแล้วคือต้องสมบูรณ์ด้วยมหาปริศลักษณะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นไม่ได้ ว่ามันเรื่องของผู้ชายที่เป็นมหาบุรุษเท่านั้นเองเห็นไหมฮะหนึ่งะรูปร่างนี้จะต้องเป็นตัวบอกแหละและจะต้องเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่พระพุทธศาสนาอยู่ธรรมจัตตารุแมวที่ไหนหรมันรอกอะไรธรรจัตตารุก็สอนกันหมดแล้วอ่ะก็สอนอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยมาอ้างธรรมจัตตารุได้ยังไงมันมันไม่มันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือคือการมองที่ไม่เห็นทั้งทั้งหัวทั้งหาง แล้วก็เห็นแล้วก็เอ๋อใช่ตกลงเลยโดยไม่รู้จริงๆเนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนี้มันมันต้องมีอย่างอื่นมาก่อนต้องมีอย่างอื่นมาก่อนจึงจึงจะวินิจฉัยตัดสินได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยหมายความว่าเรียกว่าบุปผาเหตุคือเหตุก่อนเหตุก่อนที่จะเกิดเหตุนี้เนี่ยนะนะเหตุก่อนจะเกิดเหตุนี้ที่ที่จริงเราก็มีบุปผาเหตุทั้งนั้นเนียนะนะไม่ใช่วันดีคนดีเอ้คนนี้ก็คลอดลูกนะ อ, อะอิ่มท้องเมื่อไรเมื่อต้องท้องมาก่อนถึงจะคลอดลูกอ่ะ บางทียังไม่แต่งงานบอกคลอดลูกได้เอามันไมน่บุปผาเหตุมันไม่มีอ่ะไอ้ไม่แต่งงานคลอดลูกนะอาจจะมีนะแต่ว่าต้องไม่ท้องในคลอดลูกไม่ได้แน่นอนเลยอันนี้คือคือเราต้องมองเป็นกระบวนการของเขาตรงนี้ต้องมาก่อนตรงนี้ ต, ตรงนี้ยังไม่มีตรงนี้มันจะมีได้ยังไงหรือผลไม้เนี่ยมั น, ม, นมันต้องมาต้องมาหลังดอกไม้ธรรมชาติเขามันเนี่ยนะทีนี้ไอ้ดอกไม้เองเนี่ยต้องมาหลังใบไม้ใบไม้เองก็ต้องมาหลังกิ่งไม้ กิ่งไม้เองก็ต้องมาหลังต้นไม้มั น, ม น, มนอะไรมาก่อนมาหลังอะไอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ต้องมองเป็นระบบอะไรก่อนอะไรหลังเหตุเหตุก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ในขณะนั้นแล้วก็ต่อต่อไปเราจะต้องมองเห็นทีนี้มองในแนวไฟเราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเราเผาทำลายคือใช้แบบเผาทำลาย ก็มาแล้วก็ตกกระทบเรียบร้อยแต่ว่าเผาทาลายเสียก็ลืมไปเสียมีรอยช้า ม, มีเขาพูดไห้ไม่พอใจเสียใจน้อยใจอะไรแต่อะไร ต, ต่างๆอนะฮะก็ทําลายแต่เลยพูดในแนวทําลายนะพูดในแนวทําลายแต่ว่าไฟนะไฟแนวเผาที่จริงเผากิเลสก็ได้นะเผ า, ากิเลสเรียกไฟคือยาเนี่ยนั้นจะพูดในแนวเผากิเลสสว่างนั้นจะพูดในแนวขจัดโมฆะคือจัดมืด เป็นอุปมาอุปมาโยมอย่าไปติดใจหมดนะไม่ได้อุปมาต้องเอาเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวอย่างเทียบเคียงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปวัตถุเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจธรรมะแต่ก็ให้พระราหูเนี่ยทำใจเสมอด้วยลมนะลมเนี่ยจะพัดผ่านสิ่งอะไรไปก็ตามจะเหม็นก็ตามจะหอมก็ตามจะไม่ติดเห็นไหมฮะลมเนี่ยมั น, ม, นมันเจอเหม็นมันก็ปฏิจจางนะฮะ มันจะพัดผ่านไปเลยเจอหอมประเดียวกระจางเลยคือจะไม่ติดไว้จะไม่จับจะไม่พัดไม่ใช่พอเจอกลิกก่นกลิ่นเหม็นนะพัดไปได้เป็นกี่กิโลไม้ปเหายหายหมดเลยมันจะพัดแล้วมันจะจางมันมันกระทบกระทบจริงไม่ว่ากันแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจางไปทั้งหมดคล้ายๆน้ำเหมือนกันายน้ำเหมือนกันอันนี้ก็คือมองในแรกๆที่เรียกกระทบไม่พ่องไม่ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายแนวที่จะถ่ายถอนอุปาทาน ลมมันไม่คล้องนะฮะมันไม่ติดในอะไรเลยจะเห็นว่ามันไปมันผ่านได้ตลอดผ่านได้ตลอดคือทำยังไงว่าใจเนะี่ยอยากคล้องในอารมณ์ทัง้งหลายเป็นเป็นภาพที่ที่ดีมากๆเกนะะคออือยังยังยังคุยกับพวกรู้สึกบ่อยว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เห็นแกหมู่คณะแล้วเนะี่ยเข้าป่าแล้วเนะี่ยอยากเข้าป่าจังเนะีคืออยากจะอยู่ในฝากมันมันนึกถึงภาพสมัยบวชใหม่ๆ กุิอามาเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันกว้างสักเท่าไหร่สักเจ็ดเจ็ดคืบทด้ไหมแล้วก็ยาวเนี่พอดีหัวเท้าเนี่ยพอดีพอนอนปั๊บแล้วก็เท้าก็ยันฝ่าด้านหนึ่งหัวก็ชนผ่าด้านหนึ่งพอดีเลยมันเป็นสุขมากเลยยางนึกภาพตรงนี้อยู่จนถึงตอนนี้นนเราเราเคยอยู่อย่างเงี้ยเราก็มีผ้าใบเดียวแล้ก็ไม่มีอะไรนะฮะมีขวดน้ํา ม, มีใส่น้ํา ม, มีหนังสือ อยู่ตรงนั้นพื้นก็ไม่ต้องทําความสะอาดมากลุกขึ้นนั่งปรับหมุนพักเดียวหมุนรอบเดียวก็จบสะอาดหมดแล้วสบายมากๆโตกว่าโรงหน่อยนะโตกว่าโงหน่อยอย่งนึกยังนึกภาพตรงเนี้ยเออจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดจึมู่คณะเมือคืนก็นั่งคิดอย่างตัวนี้ยเราไม่ติดจมูกคณะอะไกันเป็นห่วงเป็นใยพระศาสนาเป็นห่วงเป็นใยหมู่คณะคือไม่ได้นึกถึงตัวเองแล้วนะฮะถ้าว่าคิดถึงตัวเองน่าจะไปแล้ว เ้าป่าดีกว่าไปอยู่ป่าอยู่ถ้าคนเดียวนี่เป็นความฝันมานา น, นหลายสิบปีไปไม่ได้ทักทีก็ไม่รู้จะทำยังไงอนะฮะก็เป็นภาพที่ที่ทํายังไงเราก็ต้องทําใจอ่ะนะทําที่ใจเราไปอย่างนั้นคงไม่ได้นะคงไม่ได้มันมทิ้งหมู่คณะทิ้งศาสนาไปไม่เอาคนเดียวก็เรียกตัดช่องน้อยแต่พอตัวนี่เพื่อนด่าตายเนี่ยกันอยู่ไม่ได้ก็ เราก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องพยายามทําใจอย่าให้คล่องเหมือนลมเลยไม่คล่องไม่คล่องในอารมณ์ต่างหลายไม่ยึดติดนะผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ยึดติดในอะไรท่านตั้งหลายจะสังเกตว่ามา ม, มีมีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งซึงซึ่ซึงง่งเพื่อนก็ทวงเรื่อยเลยคือพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วมันติดมันตั้งแต่บวชใหม่ๆอย่าถือเอาซึ่งชื่อคือหมายความเราจะสงเคราะห์อะรจะทาอะไรอย่าไป ถามชื่อเขาไม่ต้องสนใจลูกตาเราไพรบั้นช่องอยู่ที่ไหนไปไหนแล้วมาเลยจำจำจําชื่อคนมาก็ได้เพราะมาไม่ไม่เคยถามนอกจากคนไหนก็บอกชื่อแล้วก็ถามบางบางทีก็บอกบหลายๆเที่ยวเราก็จําได้แต่ส่วนใหญ่นี่จะจําชื่อคนไม่ได้เพราะเราไม่ถามนอกจากเขาบอกนะฮะนอกจากเขาบอกแต่ให้ถามว่าชื่ออะไรบั้นช่องอยู่ที่ไหนลูกตาเราไปเราไม่ถามคนที่เราสงเคราะเราตีช่อหรือก็ชื่วยก็ช่วก็จบละ นั่นลูกพระเจ้าท่านท่านสอนเพื่อไม่จีบเราไปค่องที่จะทวงบุญคุณที่จะวางแผนวางดีกาต่อโยมจดทะเบียนลงชื่อทะเบียนบ้านไปหน่อยเดี๋ยววันหลังนี้ส่งดีกาเนี่ยมาวางแผนมากนะยืดเดยื้อกั น, นี้ก็คือก็คือพยายามไม่ค้องพย า, มมาพยามอย่าให้หค้องแหนรวมทั้งหลายคือค้องในเราจะเห็นว่าเราค้องในความรู้สึกว่าเป็นของเราเราถามใจเราดูจริงๆว่ามันเป็นของเราจริงหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างน้อยข้องในแนววิตกกังวลฮวงยายเอาเถอะเราคงจะไม่ข้องคงคงไม่ได้หรอกแต่ว่าปัญหาํามการเราทําอะไรได้บางทีที่เราวิตกกังวลเกินเหตุนะเจ้ากี่เจ้าการจุนจ้าดไปหมดไอ้ปู่ย่าตายายลูกหลานแล้วแต่ลงมไม้ลูกหลานจะแต่งงานโอ้มันวุ่นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอะไรก็นักหนาเลยด้วยยุ่งอะไรก็นักหนาตัวเองไม่เรื่องเด็กเขาปล่อยเขาบ้างสิให้เขามีความคิดบ้างสิ อันนี้คือเราไปคล้องมากไปเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรเขาะเขาต้องรับผิดชอบเขาเองก็แต่งงานกันแล้วก็จะอยู่กันเองก็จะแก้ไขปัญหาเขาเองเราไม่กี่วันเราตายแล้วยุ่งอะไรนักหนาเรากอันนี้คือคือเราคล้องมากไปคล้องมากไปนะทีนี้ที่สําคัญอย่างยิ่งว่าเมื่อเราอยู่ตรงหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงหนึ่งทํำยังไงไม่ต้องไปคล้องสมมติว่ามีข่าวมีข่าวว่า เป็นว so yeah. so no ่าบ้านเราอยู่แถวลาดพร้าวบอกน้าท่วมแถวลาดพร้าวฝนตกหนักน้ำท่วมแถวลาดพร้าวเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยช่างไมเนี่ะท่วมมันก็แค่นั้นแล้วมันท่วมตรงโน้นเราก็แก้ไขไม่ได้แม้เราไปอยู่ตรงนั้นเราจังแก้ไม่ได้เลยแต่มันเรื่องอะไรจะไปกลุ้มไปวิตกกังวลมันเพราะในข้องก็เรียกการถัดการถัดการถัดมันมันมันเป็นเครื่องข้องเรื่องผูกข้องด้วยความรู้สึกว่าเป็นของเราถ้าเราสังเกตว่าเรามีความรู้สึกของเรามากแล้วเราจะข้องมากจะยุ่งมาก ถ้าของเราน้อยเราจะข้องน้อยถ้าไม่มีของเราเราจะไม่ค้่องอะไรเลยคนยิ่งมีของเราน้อยเนี่ยจ ะ, จะเป็นสุขมากนะพุทธเจ้าทรงอุ ป, ปมาพระอาหารย์ว่อากาเสวะสกุนานางกติเตสังดุรันพยาเหมือนนกเหมือนนกที่มันมีเฉพาะปีกเหยียบตรงไหนไม่ทิ้งรอยแล้วก็กินอาหารแล้วก็บินไปเลยไม่แต่อะไรไม่แต่อะไรตอนกินก็กินตอนบินก็บินตอนเกาะ ก, ะกะ็เกาะเสร็จแล้วก็บินไปเลยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ไอ้เนี้ย ทำยังไงว่าแต่ทำอย่างนั้นคงไม่ได้นะแต่ว่าให้มันลดลงหน่อยคืออย่าคล้องให้มันจางไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องรักชังเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ป่ะจริงจริงความรักมันอยู่ตรงโน้น ก, กลิ่นเหม็นมันอยู่ตรงโน้นทําไมมาเหม็นตรงเนี้เออมันเหม็นที่ใจเราแล้วมันไม่จะเหม็นกลิ่นนั่นแล้ว ความชั่วมันเรากระทบตรงโน้นกระทบที่บ้านก็กกเลิกที่บ้านกระทบที่วัดก็เลิกที่วัดกระทบกลางถนนก็เลิกที่กลางถนนมันก็ทบแล้มาผ่านไปมันก็แบบแบบลมทำแบบลมผ่านไปเรื่อยภาพสวยนะฮะเราจะเห็นภาพชัดมากดินน้าลมไฟนะทีนี้อากาศอากาศมันก็เหมือนกับอากาศนะอากาศก็จะมีลักษณะแนวที่ที่หลายเรื่อง สรุปแล้วโดยเฉพาะจุดนี้นะฮะเราเราจะมีเราจะกลับมาพูดเรื่องธาตุสีอี ก, อกเพราะว่าในมหาเราโลวะทะสัสรเนี่จะมีหลายตอนนะฮะมีหลายตอนคือคืออยากที่จะมาเน้นตรงนี้เพราะว่าเป็นการสอนเด็กพระราหุนทนา 20, นนนะ่านอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะยงเด็กแล้วสอนเรื่องเดียวกันสอนห่ายวิธีเรื่องเดียวกันนะฮะสอนต้องการจะแก้กิเลสเรื่องเรื่องเดียว เพราะว่าการการปักใจฝังใจมีความกัหนัดเพลิดเพลินในสิ่งในรูปในเสียงในกลิ่นในรถมันเกิดจาไปการกําหนดมันคือเราไปคิดเราเองแล้วเราก็ไปยึดเราเองสิ่งเหล่านั้นเขาก็เป็นขเขาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะถ้าใจเราไม่เกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวที่มันเกี่ยวเพราะใจเราไปเกี่ยวเรืองเรื่ใจบางเรื่องเกี่ยวจะได้ไหลดความคล่องความเกี่ยวสักบ้าง แน่นอนในส่วนทำงานเราจ ะ, จะเห็นว่าเราทำงานก็คือเราทำงานแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้หน้าที่บางทีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงหน้าที่จะมีปัญหาเรื่องพระมหากัรตปมหาการตปนี้มีนางเทพริดาตนหนึ่งท่านํานึ ก, กเอ๋คุณของท่านนะ่ะ ทือทำบุญกับประมาทกัตปะแล้วพอดีตายไปก็บังเกิดเป็นเทพธิดาก็รู้สึกว่าสมบัตินี้ได้เพราะการทําบุญก็ต้องการจะมาเพิ่มบุญขอประมาทกัตตาปะเอาไปบินทบาตท่างก็มาดูแลปัดกวาดกุฏิเรียบร้อยตั้งน้ํท่าไอ้น้ำใจน้าฉันไว้เรียบร้อยวางกัตตปะเอ๊ะสงสัยใครใครมาทําไว้แต่แล้วท่านก็จับได้ท่านก็ไล่ไม่มาทํำธิดาก็ร้องไห้เสียใจว่าท่านต้องมาทําบุญนี่พระก็ไม่ได้อยู่ที่ที่กุฏิเนั่งมาทําเฉยๆกันท่นน่ย พระพุทธเจาตั้งกรเตือนว่าการต้องการบุญเนี่ยเป็นเรื่องของเทพธิดาเขาการสรํารวนระวังเนี่ยเป็นเรื่องของเธอเป็นเรื่องของเธอพระมหาตาบาท่านกลัวว่า เ, เดี๋ยวคนคนอื่นก็จะตําหนิจะถือเป็นแบบอย่างมันคนละเรื่อกันคนละเรื่องกันก็ปล่อยเข้าไปส่วนผลต้องการบุญก็ทําบุญไปเราอย่าไปเกี่ยวไปไปคล้องเกี่ยวไปวุ่นวายกันเลยกันเนี่ยอันี้ก็คือก็คือการพยายามทํา ทำใจให้ได้ยาเฉพาะตรงนี้ตรงเน้นสองเรื่องนะฮะยินดีกยิญญาตหมายความว่าเรื่องที่เราไม่ชอบมันก็อยู่ที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบหรือหรือชอบคุณจะเห็นว่าไม่ใช่สากรไม่เหมือนกับเย็นร้อนนะฮะไม่เหมือนกับเย็นร้อนเย็นร้อนนี่มันสากลที่ไหนก็อย่างนั้นไฟที่ไหนก็ร้อนน้ําแข็งที่ไหนก็เย็นแต่ว่าความรู้สึกสวยไม่สวย ไปเราะไม่ไปเราะหอมไม่หอมอร่อยไม่อร่อยน่าจะต้องไม่น่าจะต้องมันไม่ใช่สากลมันอยู่ที่ใจเราอะเราชอบของเราอย่างเงี้ยนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างพวกลาบพวกลู่เว้ยทางภาคอีสานโอ้ปากกินปากแดงเทือกเลยที่ไหนนะวันก่อนไปดูจังหวัดแพร่หรือจังหวัดน่านที่เอาเนื้อมาทิ้งให้เน่าให้เน่ า, ห เ, นาเหม็นนะ แล้วมาทำมีเครื่องปรุงมีตัดไคร้ไม่ไรมาต้องกินโอ้ตั้งวงกินสนุกสนานเลเป็นเป็นเป็นประเพณีไหม่รา้สึงจะทางแพทย์หรือนา่นตรงนี้นะดูครับโอ้หน้ากลัวมากเราเห็นจะตายแนละ้วแต่วันนี้มันแจ้งกุซาร์เดินทางไปซื้อไปกินกันนะถ้ากินหน้าเฉยตาเฉยถามแพทย์ไปตรวจดูมีคนขค่าต่า ง, งานปรากฏว่าไม่มี ไม่มีประมันของหน้าเสียหมดและอันนี้ก็คือก็คือเรื่องของความพอใจปักใจของคนเหล่านั้นก็ชอบมันก็อย่างนั้นแต่ไม่ใช่สากลเพราะฉะนในของที่ดีพิเศษของชนชาติหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งหรือแม้ของคนคนหนึ่งมันก็ดีสำหรับคนนั้นดีเพราะอะไรเพราะใจแกกําหนดว่าดีใจแกกําหนดว่าดีแกก็เป็นของแกอย่างนั้นเองทีนี้ถ้า ใจไปรู้ความจริงเข้ามันจะไม่คล่องไม่ติดอย่างที่เคยเล่าเรื่องหลวงตาวัดประยุนบงมเนี่ยท่านแผลเยอะม้เนี่ยต่างล่ากไปเทศไปไม่ทันนะฮะเรือไปเทศทางสุพรรณเรือมันเสียไปไม่ทันไปถึงวัดเขาเลิกงานแล้วก็นอนกันหมดแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปไหนกุฏิสมพันธ์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดือขึ้นไปถึงก็เห็นศาลาก็มีคนนอนกลางมุ้งอยู่คนหนึ่งแอบแบบนอนตอนนี้นอนกับคนนี้ เป็นเป็นผู้ชายนะฮะก็นอนนะครับนอนสบายอบอุ่นดีเดียบร้อยไม่มีปัญหาเลวพอตีสี่ครึ่งเนี่ยมีคนก็ามากันมาหาบเอาคนร้ยศพก็มาวางไว้ที่เฉยแล้วก็โดดผุ่งเลยนะตกใจตกกระโดดผุ่งเลยก็นอนสบายอุนอ่นๆอยู่ดีๆนะก็ศพนั่นแหละศพมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแล้วก็ตายมานานแล้วนะฮะ แต่ว่าแกรู้สึกว่าเป็นคนนะเป็นเพื่อนนอนเป็นเพื่อนได้นอนอาศัยพอพอรู้ว่าศพก็ตกใจก็ตกใจตรงตรงที่เรารู้ว่าเป็นศพแต่นั้นเองเห็นไหมเรายึดเอาทั้งสองอย่างแกตอนนั้นที่จริงแกก็ตายแล้วแต่เราไปคิดว่าแกเป็นเราก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนแต่พอเรารู้ว่าแกตายเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัว นี้มองในจุดอื่นก็ได้ว่าแม้แม้เราเพื่อนฝูงกันสามีพันยาการอะไรเ น, นี่ยมันก็อยู่ที่การยึดเอาการยึดเอาตอนเป็นสามีพันยาการหมาดีเหลือเกินนะฮะพอทะเลาะกันมาเลิกกันเนี่ยมองหน้าไม่ได้ได้ยินเสียงกรุ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ยินแต่ก็คุณคนนั้นแหละที่คุณนอนไม่หลับคิดถึงเขาว่าก่อนนะอะทำไมเอาเอาขนาดหนักขนาดนี้คุณยึดเอาเองทางนั้นเลย โกรธคุณก็ยืดต่อเองรักคุณก็ยืดตัวเองที่จริงมันไม่ได้มีรักไม่โกรธอะไรเราคิดตัวเองแต่นั้นเพราะ ง, งั้นตรงตรงนี้ทำยังไงว่าอย่างน้อยนี่ในจุดที่มันเป็นจริงเมื่อเป็นจริงตรงนี้ควรจะเป็นยังไงก็เรียกว่าสมมติอ่ะเล่นบทละครให้เป็นตรงนี้สมมติว่าเราอยู่ในบทนั้นตัวนี้เป็นสามีปัญญา ก, กานต้องเป็นสามีปัญญา ก, ก็ต้องพยายามทำความ เข้าใจการอดทนการให้อภัยต่อการในการประณีประนอมการประสานประโยชน์กั น, นทีนี้มันก็ไม่ใช่ว่าแต่ให้คนแต่ละคนยต้องเป็ น, ต, ป น, ปนต้องเป็นอย่างที่เราเป็นต้องเป็นอย่างที่เราเป็นเขาก็เป็นในที่เขาเป็นคือเราจะบังคับว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นมันไม่ได้นะเขาก็เป็นในที่เขาเป็น่ะ เราก็เป็นในที่เราเป็นเพราะงั้นเราก็พยายามที่จะประสานได้ในบางจุดแต่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างที่เราว่าทุกอย่างที่เราวุ่นเนี่ยคือเราต้องการเกณฑ์คนอื่นให้เขาเป็นในที่เราเป็นแต่เราลืมไปว่าเราเองก็ไม่สามารถควบคุมตัวเราเองให้ไม่ให้เกณฑ์คนอื่นได้เห็นไหมเราคิดจะคุมคนอื่นที่จริงเราคุมใจเราไม่ได้นะคนนี้สั่งคนนั้นเสียงคนนี้สั่งคนนั้นเกณฑ์อย่างนั้นอย่างงี้ตัวเองเนี่ยคุมใจตัวเองไม่ได้คุมใจอย่าให้สั่งคนอื่นไม่ได้ เห็นไหมฮะตกลงว่าใครกิเลสมากกว่าเรากิเลสมากกว่าเขาเยอะเรากิเลสมากกว่าเขาเยอะเลยเขาเป็นธรรมชาติของเขานะก็เป็นตาธรรมชาติของเขาก็เป็นอย่างนั้นน่ยนะเพราะฉะั้นเราเราต้องยอมรับสภาพทั้งหมดที่ไปที่เราพาวิจัยเมื่อวันบนสื่เนี่ยเอามาก็เล่าเล่าให้ดตอร์กันเนี่ยก็ฟังก็บอกว่าปัญหาสําคัญว่าเรามองไม่เป็นกระบวนสิ่งทั้งหลายเนี่ยม่เป็นกระบวนมันเป็นกระบวนเราอาจจะพูดได้ว่า น้ำฝนตกมาทางเหนือโดยดูที่แม่น้ำเจ้าพระยาน้ํามันปริมปริมปริมคฟังขึ้นมาเลยหรือบอกน้ําตกทางเหนือเพราะเราไม่เห็นตกที่กรุงเทพหรือไม่งั้นก็น้ําทะเลหนุน่นมันจะมีอยู่สองอย่างแต่นั้นเองน้ํายังปริมฟังได้ฝนตกต ก, ต, กตรงไหนเมื่อไม่ตกกรุงเทพก็แสดงว่าตกมาจากทางทางเหนือไอ้ตกที่ทะเลนี่ไม่ไม่ปริมฟังตรงนี้แน่นอนนะหรือไม่งั้นก็น้ําทะเลมันก็นุน อันนี้ก็คือเรียกว่ามองจากเหตุปัจจัยแม้ว่าเหตุมันจะไม่มีแต่ว่าผลเนี่ยมันปรากฏเราก็มองไปที่เหตุได้ก็เล่าถึงว่านินสิตคนหนึ่งแกมาถามมาตมาว่าหนุ่มอิสลามมาชอบหนูนี่หนูจะแต่งงานเขาดีไ้ยอาจารย์บอกเดี๋ยวก่อนพูดตรงนี้ไม่ได้มันต้องพูดตรงอื่นพูดตรงอื่นหนูไอ้การแต่งงานเนี่ยหนูต้องมองไม่ใช่ว่าจับผู้ชายกับผู้หญิงสองคนมาอยู่ด้วยกัน แต่นั่นคือพันธะกันีที่มีความผูกพันต่อเนื่องกันจากการเริ่มจุดจากคนสองคนเนี่ยทำให้หนูมีครอบครัวสองครอบครัวมีพ่อแม่เพิ่มขึ้นอีกชุดถึงมี พ, พี่น้องเพิ่มขึ้นอีกชุดถึงมีญาติบ่งปงภสาเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตแบบแผนวัฒนธรรมาศาสนาเพิ่มขึ้นหมดถ้ามันไม่มากไม่รุงรังมากเนี่มาปรับข้าวกันง่าย แต่ถ้าต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างขนบธรรมเนียมต่างประเพณีต่างวัฒนธรรมเ้าปรับยากนะน่นะเราอาจจะรักแสนรักกับสามีแต่ทะเลาะ ก, กับแม่สามีพ่อสามีญาติพี่น้องสามีไม่ถูกแล้วอยู่ไม่ได้อะนะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเขาไม่ได้นั่นนั่น น, น, นั่นคือคําว่าแต่งงานมันไม่ใช่ว่าหมายความว่าคนตงคนมาอยู่ด้วยกันแต่ที่จริงแล้วความหมายมันยิ่งกว่านั้นเพราะมันจะสืบเนื่องจากตรงนี้ยแต่มันจะแตกกิ่งก้านสาขาไปตรงนั้น ก็นึกดูซิว่าเราจะอยู่ในวัฒนธรรมอิสลามได้ไหมกินอาหารแบบอิสลามได้ไหมในะช้วิธีชีวิตแบบอิสลามได้ไหมวันกลาหลายเรื่องก็นั่งก็นั่งนังนง่ก็ถามอะไรอย่างเงี้ยแกนั่งมองๆกคิดเอ๊ะถ้าอย่างงั้นหนูว่าไม่เอาดีกว่าบกากก็ตั้งใจก็คิดเราเองคือเราเราไม่ได้ไปไปวินิจฉัยให้เขานะฮะแต่เราก็บอกให้ความวาเนี้เราต้องมองให้เป็นกระบวนการอย่างนี้อย่าไปมองอย่าเพราะตรงไนตรงไหน ถ้ามองตรงใดตรงหนึ่งแล้วมันจะง่ายต่อการถูกหลอกถูกการตัดสินใจเพราะสิ่งต่างหลายมันเป็นกระบวนเราต้องเห็นหัวเห็นหางมันเห็นมองอะไรมันชัดชัดแล้วไม่มองแคบแคบนะฮะเมื่อวานเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่อของรัฐนะฮะในที่หน่วยงานเกีย่ยวกับกรองเนะขาเอาเอกสารให้มาพึ่งนะก็เป็นเอกสารที่ตัดจากที่ต่างๆนะฮะแต่สรุปแล้วก็คือโจมตีเรื่องการทําพระ อยแรงๆนะรแรงๆมากๆเลยอะมาวันนี้อมองแคบๆคือคือมองอย่างนั้นไม่ได้มองอย่างนั้นไม่ได้ถ้าถ้ามองอย่างนั้นหมายความว่าคนในโลกนี้มีระดับเดียวระดับเดียวได้อะมาชอบยกตัวอย่างให้ฟังในที่ต่างๆมองเหมือนกับราวบันไดเหมือนกับตุ๊กตาให้ดูตรงนี้เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยมันทั้งเปลือกทั้งการร้านทั้งกระเพาะทั้งอะไรอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นต้นไม้ แต่วถ้าคุณเอาต้องต้องการเฉพาะแก่นต้นไม้คุณเอเปลือกออกหมดมันก็มีแต่ต้นไม้ตายแล้วต้นไม้ตายแล้วเท่านั้นเองที่ไม่มีเปลือกถ้าคุณยอมความเป็นต้นไม้คุณต้องยอมตรงอื่นของต้นไม้ด้วยคุณจะคิดเอาเฉพาะแก่นแก่นมันมีเฉพาะต้นไม้ที่ตายแล้วแต่เราต้องการมีต้นไม้ที่ตายแล้วด้วยคนต้องการใช้แก่นก็ได้แก่นใช้ใบก็ได้คนบางคนเข้าหาต้นไม้เขาไม่ต้องการแก่นนะคุณก็ต้องการดอกมันไป ก็ต้องการผลมันต้องการยอดมันต้องการเปลือกมันต้องการกิ่งมันเขาไม่ได้ต้องการทั้งหมดของต้นไม้เราเข้าป่าเราไม่ต้องการหมดเนี่ยนะบางทีเราก็ต้องการเออกินลูกมันสองสมลูกอันเนี้ไม่ได้ไม่ไปแตะตัวอื่นเลยก็เอาตรงนั้นแล้วคุณจะไปล่วงไปละเมิดสิทธิในการจะกินใบของเขาอ่ะเขาต้องการเฉพาะใบเนี่ยตรงเนี้ยเขาต้องการเฉพาะใบแต่นี่ไงคุณจะว่าอะไร คุณต้องการแกนคุณก็เอาแกนไปสิทำไมต้องด่าคอนโดใบล่ะเออมันนอกเรื่องไงฮะเราจะนอกนอกเรื่องคือมองโลกมันมันต้องมองให้เต็มพื้นที่ของโลกมันเหมือนกระราบันไดเนี่ยโยมบางคนนี่ขึ้นในส่วนใหญ่จะไม่เกาะลาบันไดแต่ลาบันไดเราเลิกได้ไหมเรามีคนแก่นะเรามีคนป่วยเรามีเด็กเราทิ้งคนเหล่านี้ได้เปล่ะแล้วเราก็ป่วยนะหลังเราก็ป่วยกันเราบางวันเนี่ยเราก็ต้องเกาะลาบันไดเหมือนกันเพราะเราทิ้งราบันได ตลอดไปไม่ตลอดไปเลยตลอดโลกนี้โลกหน้าเลยครับกี่โลกก็ได้คุณทิ้งราวบันไดไม่ได้คุณทิ้งขั้นบันไดไม่ได้คุณทิ้งตุ๊กตาไม่ได้มันก่อนไม่ติ่งหลวงพอ่อปัญญาของพอ่อปัญญาแต่แจกตุกตต๊กตาหมีเอาเอาทําไมตุ๊กตาหมีมาบอกก็ไป่ไแจกหลวงพอนะ่ออายุเจ็ดสิบกว่าแล้วก็แจกเด็กก็แจกเด็กสามขวบสี่ขวบก็แจกเด็กไม่ใช่แจกหลวงพอ่อ คือต้องต้องรู้ว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะเรานะโลกนี้ลูกหลานเราตะเกียกอากเล่นตุ๊กตาหมีนี่วิ่งเข้าหาเลยนะแล้วถามมาเลิกตุ๊กตาหมีได้ให้กี่โล ก, ต, กตามเลิกไม่ได้ตุ๊กตาเลิกไม่ได้มีตุ๊กตาหมีอาจจะเลิกได้นะอาจจะทำเป็นอย่างอื่นต่อไปเราก็ไม่รู้แต่ว่าตุ๊กตานี่เลิกไม่ได้นั้นคือโลกเราต้องมองเข้อความจริงแล้วเราจะเข้าใจโลกเข้าใจโลกแล้วจ ะ, จะไม่หลงโลก เพราะถ้าเราหลงโลกแล้วเราหลงตัวนะเราโน้มนุ่าเก่งจังเลยเราเก่งจังเลยเราไม่เล่นเครื่องรางของครั้งเราไม่ได้เกี่ยวอะไรพวกนั้นเราเก่งจังอย่าลืมนะที่จริงเราก็ติดติดในเก่งติดในคิดว่าเราเก่งติดในความดีติดความดีก็ติดนะอยอมนะเป็นสีลับปตตราว่าจังหนึ่งเหมือนกันติดดีหลงดีนะและอย่าลืมที่เราด่าคนอื่นเราขาดเมตตา่ออันนี้คือความกัดแยง แสดงว่าเราไม่ดีจริงถ้าเราดีจริงเราต้องสงสารเด็กที่เล่นตุ๊ ก, กตาเราไม่เล่นเราซื้อมาฝากเลยเราซื้อได้นะเราซื้อตุ๊ ก, กต า, าฝากเด็กได้แต่เราไม่เล่นทาไมซื้อทาไมให้หลานมันให้หลานมันหลานมั น, น, มนยังเล่นนะะมันเป็นน้องของมันอันนี้คือเมตตาเห็นเรามองคนที่ยังเล่นตุ๊ ก, กตาด้วยเมตตานะไม่ใช่โยมไม่ซื้อตุ๊ ก, กตาโยมซื้อได้ แต่ถ้ายมไปด่าไปด่าเด็กเล่นตุ๊กตาแล้วตัวเองก็ไม่ยอมซื้อให้เด็ก น, นี่แสดงใจแคบเลยใจแคบจะสงเคราะห์หลานหน่อยก็ไม่ได้ไอ้ น, นี่คือมองแต่มาต้องมองให้เห็นอย่างเงี้ยนะวันสว่างวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่า น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธิธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทลายโดยตรงกันทุกท่านทุ่ม